วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทตยอาจารย์สุเทพโพธิสัต ธ, ธาอดีชนที่พระลบนะักพระสูตรวันนี้เป็นพระสูตรเดิมที่มีชื่อว่าปุตตะมังสาสูตรซึ่งแปลว่าเนื้อของลูกก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงอาหารสี่ โดยตั้งชื่อขึ้นจากอุปมาของอาหารที่หนึ่งได้แก่กะวะลิงการาหารันได้พูดถึงกะวะลิงการาหันไปแล้วแล้วก็เหลือส่วนที่ทิงค้างไว้นิดหนึ่งซึ่งจะต้องอธิบายกันในตอนนี้ก็คื อ, อส่วนที่ท่านกล่าวถึงว่ากะวะลิงการาหารันคืออาหารที่ผู้บริโภคหรือถ้าเป็นพระก็คือฉันเข้าไปโดยลําดับเนี่ย อาหารนั้นโดยความมุ่งหมายของการฉันการบริโภคโดยอย่างธรรมดาโดยความมุ่งหมายของภิกษุทุกองค์นั้นก็เป็นอาธิปรมจรรันทร์จะถือเป็นเบื้องต้นของอาทิปรมจรรันทร์แต่อาหารที่ภิกษุฉันนั้นสามารถที่จะฉันอาหารด้วยแล้วก็ทําให้เกิดธรรมะได้ด้วยทําให้บรรลุธรรมเพราะการฉันได้ด้วย การฉันอาหารอย่างที่ถือเอาเป็นที่หมายของการบรรลุธรรมก็เป็นการฉันแบบเจริญกรรมฐานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นกะวะลิงกาอาหารที่ได้กล่าวถึงมาจนถึงเมื่อโอบามาอวมยจบลงแล้วเนี่ยก็ได้ทรงตรัสในตอนท้ายว่าเมื่ออรียสาวกกําหนดรู้กะวะลิงกาอาหารได้แล้วให้ดูเอกสารหน้าสองตอนท้ายของ ข้อสามย่อหน้าสุดท้ายของข้อสามเนี่ยเมื่ออาเดียสาวกกาหนดรู้ก ว, ว่าลิงการาหานได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจการมาคุณเมื่ออาเดียสาวกกาหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจการมคุณได้แล้วสัญญอันเป็นเครื่องชักนําอรียสาวกมาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีนี่ ข้อความตรงนี้นิดเดียวนะครับแต่ว่าบทอธิบายนั้นอธิบายได้เยอะทีดเดียวในข้อว่ากาหนดรู้เนี่ยก็คือปริญญาปาลีใช้คำว่าปริญญาคือการกาหนดรู้ซึ่งหมายถึงไม่ใช่การกาหนดรู้อย่างธรรมดาอย่างอภินาหาบัตเวกที่เมื่อพระจะฉันก็ดีหรือว่าพิสูจน์ที่ฉันอาหารอย่างเป็นการ พิจารณาโดยอาหาเรปฏิโละสัญญาอย่างการทำสมมติกรรมฐานในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงการปฏิบัติอย่างวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งถึงการกำหนดรู้การกำหนดรู้้วยป ร, ริญญาในกวาลิงกรหานนั้นกำหนดรู้โดยป ร, ริญญาอะไรป ร, ริญญาที่เราเคยได้ยินกันมาแต่เดิมเนี่นะครับก็ป ร, ริญญาสามประทวนอีกนิดหนึ่งว่าคืออะไรแล้วก็มีความหมายย่อที่สุดว่าอย่างไร ปริญญาที่หนึ่งนี่ให้ท่านตั้งแยกว่ามันมีสองในแล้วนะฮะผมกําลังจะพูดถึงในธรรมดาที่เคยพูดมาแล้วในที่ทั้งหลายแล้วก็จะพูดถึงปริญญาอีกในหนึ่งที่จะพูดเน้นเป็นของใหม่สำหรับการรับรู้ในวันนี้ในที่หนึ่งปริญญาสามได้แก่ยาตัปปริ ญ, ญากำหนดรู้ตามความเป็นจริง ที่แปลว่ากำหนดรู้ตามซึ่งในที่นี้หมายเอาจับตัวปรมัตาสภาวะไว้เป็นอารมณ์ได้เรียกว่ายาตาปริญญาคือหมายเขาว่าเราเนี่ยอยู่กับโลกสมมุติเมื่อมาเจริญวิปัสสนาก็ต้องพากสมมุติออกจนกระทั่งจับตัวปรมาสได้เรียกว่ายาตาปริญญาเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้ต่อมาก็ตีรนะปริญญาคือการวิจารณา ที่เรียกว่าพิจารณาในที่นี้แปลเป็นไทยแล้วมันก็มันตีกันหมดแล้วนะแต่ว่าให้นึกถึงความหมายเป็นสำคัญพิจา oh. รณะหมายถึงเมื่อเราจับตัวสภาวะปรมัตัยได้ก็ดูอาการของตัวสภาวะปรมัตัยนั้นให้เห็นก็จะเห็นว่าตัวอาการของสภาวะารมัดเนี่ยเป็นอณิจังทุกขงังนัสตาก็คือเห็นไตรลักษณ์ ก็คือเตียนะปริญญานั้นเป็นปริญญาเห็นไตรลักษณ์ปริญญาที่สามคือปหานาปริญญาได้แก่ปริญญาที่เกี่ยวกับการละความละเนี่ยมันก็เกิดมาเกลีก้ยงเกลี่ยมากับการรู้โดยลําดับเลยครับยาตตาปริญญาก็มีการละอยู่บ้างติรณ ะ, ะก็มีการละเพิ่มขึ้น แล้วก็พอสูงขึ้นไปการละก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับรู้คู่กันละเป็นของพร้อมกันในระดับถ้าพูดถึงการรู้กับการละในระดับเดียวกันถ้าพูดต่างระดับก็อาจจะเป็นคนละคราวกันคือละอย่างหมดเปลือกก็ต้องหมายถึงถึงจุดรู้อย่างหมดเปลือกแล้วให้แบ่งปริญญาสามในหนึ่งออกเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่ง ปริญญาสามในขั้นโลกีะคือเมื่อเราจเจริญวิปสัสนาเพราข้อที่ข้อทางเนี่ยครับเราได้ปริญญาสามขั้นโลกีะโลกีะนั้นมีอยา่าไปละเอียดสูงขึ้นไปโดยลําดั บ, บจะสูงแค่ไหนก็ตามที่ยังเป็นโลกีะอยู่ก็เพราะว่ายังเสื่อมถอยได้กิเลสยังเข้าแทกกิเลสยังอาจจะพลิกฟื้นขึ้นมาทําลาย ปริญญาที่เป็นโลกิยะได้เสมอจึงเป็นโลกิยาอีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นโลกุตระยาตาปริญญาขั้นโลกุตระมีตีรณนาปริญญาขั้นโลกุตระมีปะหานะปริญญาขั้นโลกุตระมีนะแล้วสภาพของความเป็นปริญญาสามขั้นโลกุตระเนี่ยมีบทอธิบายอะไรต่างๆผมได้อธิบายไว้ มากในเรื่องของปริญญาปัญญาที่พูดที่พอสละเรื่องอภิญญาธรรมเรื่องปริญญาปัญญาแล้วก็พูดไว้ที่นั่นเยอะนั่นนะก็ใครได้ฟังที่นั่นหรือทบทวนที่นั่นได้ก็อธิบายตรงนี้ก็จะไปสอดคลองกับตรงนั้นอันนี้สรุปโดยหลักทีนี้ต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นปริญญาที่เราไม่เคยไดียิน ปริญญาสามต่อไปนี้มีชื่อว่าหนึ่งนะเอกะปริญญาแปลว่าการกําหนดรู้โดยความเป็นอย่างเดียวเอกปริญญาให้ของเราเรียกปริญญาเอกนี่ถ้าเรียกว่าเอกาปริญญาสองสัพพปริญญาสอเสือมังกาพอพานสองตัว แปล ว, ว่าปริญญาที่กำหนดรู้ทั่วทั้งหมดทั้งหมดในหมายถึงครบทวนกระบวนวามของกรณีดำส่วนนั้นนั้นส่วนนั้นก็คือส่วนกินนี่แหละกินอาหารเนี่ยสามท่านเรียกว่ามูละปริญญามูละคือหมุน แปลว่าความกำหนดรูในส่วนตัวที่เป็นมูลอ้าวตรงนี้เดี๋ยวจะต้องอธิบายท่านเรียนของท่านอย่างนี้ผมไม่ได้พูดสับลำดับคามจริงอยากจะสับว่าเห็นว่าไอ้มูลน่าจะมาก่อนก็สับไม่ได้มันจะผิดเรื่องกล่องตัน้นก็จะอธิบายเลยนะครับว่าเมื่อบุคคลรับประทานอาหาร การที่คนจะเจริญกรรมฐานเมื่อรับประทานอาหารกับเมื่อจะเจริญกรรมฐาน <c oughs> ในขณะที่เห็นเมื่อจะเจริญกรรมฐานในขณะที่เดินเมื่อจะเจริญกรรมฐานในขณะที่หายใจเข้าหายใออกหรือด้วยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะฮะเมื่อคู่เข้าเหยียดออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอกาสของการกําหนดรู้อารมณ์ที่จะมาทำเรื่องกหนดรู้เนี่ย ถ้าลมหายใจเข้าออกเนี่ยเรียกว่าไม่ขาดแคลนไม่ต้องรอเวลานอนก็ต้องหายใจนั่งก็ต้องหายใจอดก็ต้องหายใจอิ่มก็ต้องหายใจกินก็ต้องหายใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนหายใจได้ทั้งนั้นอ่านี่นี่เห็นว่ามันเป็นข้อแปลแต่ว่ากินเนี่ยเข้าวซ่วมเราไม่กินใช่ไหมฟังธรรมะอ่้ก็อาจจะกินก็ได้ไม่ว่าพูดธรรมะไ่กินไม่ได้ วันๆมันก็กินได้แค่สามมือไอ้จะกินยอดกินเยอะมันก็ได้พอได้บ้างกินอย่างคนปฏิบัติกรรมฐานนะก็เลยฟังดูเป็นว่าการกินเนี่ยมันจะมานั่งกินเพื่อที่จะทำกรรมฐานให้เยอะๆยืดๆมันก็เพิ่มมือการกินมันก็จะผิดไปมันจะไปกัดกระตินก็อีกอ่า ผมพูดแล้วผมชังงกว่าไอ้ตรงนี้นะมันมีแง่มุมเปรียบเรียบเยอะนะฮะไอ้เรื่องอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยยังไงหายใจเนี่ยเราเรื่องหายใจตลอดเวลาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะกาหนดลมหายใจได้ตลอดเวลาเวลาที่เราสามารถจะกำหนดได้คือตอนนั่งเลยใช่ไหใช่ไอ้ตอนที่เราไปทำนู่นทนี่ตอนพูดตอนจาก็ไม่เหมาะอีกถึงจงมีลมแต่ก็ไม่สามารถจะ กำหนดได้ดีในเวลานั้นกรรมฐานแบบอื่นนั้นมีข้อได้เปรียบเสียเียวอย่างนี้แต่เอาเธอเรามาพูดกันถึงว่าเมื่อบุคคลจะกำหนดในกระหนกินซึ่งจังหวะโอกาสมันก็มีน้อยอยู่แล้วใครกันหนอที่จะได้ไปบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมเพราะกำหนด กรรมฐานในขณะกินมันควรจะเป็นไปได้ยากหรือควรจะเป็นไปได้ง่ายเนี่ยเรามาเนึกว่าเรานั่งหลับตากําหนดลหมหายใจเข้าออกตั้งยืดเยอะยาวนานยังไม่ค่อยจะบรรลุนี่กินยังไม่ทันจะจะกินแบบธรรมะยังไม่ทันจะเกิดเลยหมดอิ่มซะแล้วอะไรเงนี้นะ่ะถึงจะยืดไปมันก็แก่ได้ไมนะ่นานเดี๋ยวถามหน่อยเดี๋ยถามหน่อยจะเอาพวกกรรมฐานเอ้า ถามนี่ขอถามคนนี้แกเก่าที่ไม่เคยมารับประทานอาหารอย่างในกรรมฐา น, นใช้เวลานานไหมเอาคุณจารินีตอบหน่อยดิมีั้ ม, มถึงชั่วโมงเคยไหมหรือไม่ได้จับเวลาถ้าท่านเราอยู่คนเดียวอาจจะได้นะแต่ไปตานกรรับหมูเนี่ยก็ต้องเต็งใจคนดูแลเขามนกันแต่ก็เขาก็พยายามจะให้เรากปทานใจชา ซึ่งจำโมงนี่ค่อน้างจะแน่ๆอยู่แล้วนะฮ ะ, ฮะ45นาทีโดยโดยเกณฑทั่วไปใช่แต่ถ้าไปปฏิบัติเองเนี่ยอาจจะทานตั้งนานหน่อยก็ได้นะฮ ะ, ะคิดว่าเรานั่งกำหนดลมสองชั่วโมงกับกินอาหารแค่45นาทีเนี่ยโอ้โหวันจะต้องกินกีนก่มื้อแล้วจะต้องหาหมากหลั่งมานั่งเกี่ยวอาทัวฟี่มานั่งอม เพ่อจะได้กำหนด ก, ก็ไม่ได้อีกอิงไม่ยอมอีกแล้วก็ความสมควรการปฏิบัติธรรมก็ดูไม่สมควรอีกนะแต่ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้คนที่เขากำหนดโดยในของอาหารเนี่ยอาหารมันมีสีนะอาหารเนี่ยมีสีอีกสามยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะฮะมันเป็นนามอาหารอีกสามนามอาหารนั้น มันก็อยู่ๆกับเราแหละบางตัวมันก็อยู่กับเราเกือบตลอดตลอดเวลาเลยไอ้บางตัวก็อาจจ ะ, ะเป็นเรื่องที่จอนไปจอนมาหน่อยอแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยนะฮะอันนี้ในฝั่งผมกําลังจะตอบว่าถึงจะกินใช้เวลาสระสี่สิบห้านาทีนะฮะแต่ว่าปฏิบัติได้ทั้งวันปฏิบัติได้ทั้งวัน ล้วอะไรถ้าหากว่าใครเคยฟังหรือเคยอ่านเรื่องอาหารเลปติกูลสัญญาเรื่องการเจริญสมาธิโดยเกี่ยวกับการกินอาหารเนี่ยท่านไม่ได้ให้กำหนดเฉพาะตอนกินแต่กำหนดวันตอนหานะกระทั่งมาถึงตอนกินกินอิ่มแล้วไปถึงตอนถ่าย อย่าลืมาอาหารที่ไม่ได้กินอิ่มแล้วก็อาหารหมดสิ้นรากไปเมื่อไหร่ละใช่ไหมอาหารบางอย่างกินไปแล้วบทต้องเกี่ยวกับอาหารไหมเกี่ยวอาหารบางอย่างกินเข้าไปแล้วอุณหภูมิผิดปกติเกี่ยวไหมเกี่ยวอาหารบางอย่างกินไปแล้วไอเกี่ยวไหมเกี่ยวอาหารแล้วก็ยังทายอุจจาระปัสวะอะไรต่างๆนี่รวมทั้งไอสภาว่าจิตที่มันแปรปลุนเปลี่ยนไปเพราะอาหารนี่ถือว่าเป็นการขยายตัวของ ตัวมูลกรรมฐานไอ้มูลเนหมายถึงไอ้ของกินที่เป็นกินเป็นหันเข้าไปเนี่ยมันขยายไปกระทบอะไรหลายอย่างการปฏิบัติที่ปัฒนากรรมฐานเนี่ยปฏิบัติจากมูลแล้วขยายไปหาฝอยฝอยนี่ไม่ใช่ภาษาท่านกุณพูดเองมูลภาษาท่านจากมูลแล้วขยายไปหาฝอยในรายละเอียดมันเกี่ยวเนื่องไปโดยลําดับเราลองคิดดูถ้าอาหารเรากินพอสิ้นลิ้นก็สิ้นซา เราก็ลมต้องยืนทาไมถ้งลมต้องยืนอาหารหมดไงไม่งั้นต้องกินทั้งวันไอ้ไอเราเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์เนี่ยใช่ไหมล่ะน้ำมันหมดหมดทั้งน้ำมันเมื่อไหร่มันจะหยุดทันทีเลยแต่ของเรามันไม่อย่างนั้นมันยังอยู่ได้ทั้งนานเป็นวันๆหลายๆวันดังนั้น การกำหนดรู้เรื่องอาหารเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนช่างกินและก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอย่างยืดเยื้อยาวนานแต่ความเกี่ยวข้องกับการกินนั้นยืดเยื้อยาวนานใครกำหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างยืดเยื้อยาวนานเป็นเหตุเป็นผลของอาหารที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยถือว่ากำหนดรู้กะวะลิงกาลา นี่นว่าถึงหลักใหญ่ส่วนวิธีการรู้คือโดยลำดับอย่างนี้ผมกำลังจะเริ่มอธิบายเอกปริย ญ, ญาในกวรินการามที่เรียกว่าเอกปริญญาเนี่ยท่านหมายเอาการรู้ตัณหาให้ให้จับหลักตรงนี้คืออย่างไรท่านว่าเมื่อ บุคคลรับประทานอาหารเนี่ยเรื่องนี้เราเองต้องยอมรับเลยครับต้องยอมรับว่าถามว่าที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยเอาละถึงจะเป็นคนปฏิบัติกรมาฐานเยอะถึงจะเป็นคนสอนกรรมฐานว่างอะไรบ้างแต่เวลากินอาหารเนี่ยถามว่ายังอร่อยไหมไหนใครกินอาหารไม่อร่อยบ้างไม่อร่อยทำไมไม่อร่อยด้วยธรรมะนะ เรายังกินอาหารอร่อยก็อยู่ในห้องกรรมดาเมยังอร่อยนี่เป็นแม้ว่ามันจะมีไอการไม่อร่อยการอะไรรู้พิเศษบ้างแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยเราอยู่อย่างนี้เราทั้งยอมอร่อยไ้่งใช้ว่ายอมอร่อยเราควบคุมในส่วนอื่นๆที่สมควรแต่อร่อยเนี่ยเราจําเป็นต้องยอมอร่อยทีนี้เมื่อกินอาหารพับเนี่ย โอ้มันเรียกว่าอาหารจะยังไงเนี่ยอย่าลืมว่าเราหิวยิ่งหิวยิ่งอร่อยอร่อยด้วยตันหาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏชัดที่สุดในการกินอาหารคือตันหานะใครที่เมื่อจินตันหาแล้วก็เห็นความอร่อยความยินดีในรสที่เรียกว่ารสาตันหา กำหนดรู้ตัวนั้นได้ผู้นั้นชื่อว่ากำหนดสิ่งที่เป็นหนึ่งเป็นพระเอกทีนี้ไอการรู้ตัณหาเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรากินแล้วรู้ว่อยแค่นี้เป็นปริญญาชั้นสูงนะคือคนที่เขากำหนดสูงขึ้นไปเนี่ยเวลากินแล้วเนี่ยมันมันมันมันมันวัยมากแล้วมันรู้สึกเห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างใน พลังของตัณหาในความอรเด็ดอร่อยนี้ไอ้ตรงนี้ก็ยกผลประโยชน์ให้กับคนที่เป็นคนปฏิบัติมาเยอะกันแล้วกันมันไม่ใช่แค่ที่เรารู้กินแล้วมันอร่อยมันเป็นอย่างนี้หรือคนที่ปุ่นไปอัดทางอวัฐานกินแล้วมันอร่อยแล้วมันเป็นอย่างนี้เอรู้แล้วก็ไม่เห็นอะไรมันแล้วไปกําหนดรู้มันขัดคอขาดก็หอยเราด้วยมันก็หอยความอร่อยเราโดยธรรมบวิทีจะไปคิดอย่างนั้นแต่คนที่ไปปฏิบัติไปละเอียดแต่ละแล้วกําหนดรู้เท่าทันเนี่ย มันเกิดความรู้เช่นเห็นชาติของไอความกำหนัดในรถอย่างเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องน่ากลัวและเป็นเรื่องอน่ารังเกยียจและเป็นเรื่องที่เกิดการปล่อยวางได้เหมือนกับบ่พ่อแม่กินเนื้อลูกตัวเองอย่างที่พูดเอาที่แล้วขึ้นได้จริงๆนี่ไอตรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสูงอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ที่ ทำถึงจุดสมบูรณ์อย่างที่ศาสตร์ในสูตรนี้เนี่ยท่านเอาจุดสมบูรณ์มาพูดคือถึงขั้นของผู้ที่เป็นพระอนาคาพระอนาคาเนี่ยพูดได้เลยว่ากินอาหารแล้วไม่กำหนัดทั้งในขณะการทำกรรมฐานหลีกเล่นหรือในขณะที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างธรรมดาเพราะว่าพระอนาคานั้นละกามราคะ ได้แล้วและละกามรากคะในส่วนของรักษตัญหานี้ได้ด้วยและทำไมถึงเรียกตัญหาว่าอาการรู้ตัญหาทางลิ้นเนี่ยรู้เห็นภัยจับได้ไล่ทันว่าเป็นเอกาปริญญาตัวนี้ท่านอธิบายว่า <c oughs> ว่าไอความอยากตัวนี้แหละเมื่อมันเป็นตัวเดียว เมื่อเรากินอาหารมันก็อร่อยกับอาหารอยากในอาหารเมื่อเราได้ยินเสียงก็ตันหาอย่างนี้แหละเมื่อเราดมกลิ่นก็ตันหาอย่างนี้แหละแล้วก็เมื่อเราเห็นรูปก็ตันหาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้รสชาติของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยมามาถึงจุดนี้แล้วมันจับได้ว่าไอ้ตัวนี้เอง ตันี้เองที่มันเป็นตัวรถชาเป็นตัวรสชาติของการเห็นอะไรแต่อะไรที่มันอธิบายไปได้อย่างดีด้วยตัวเองเอาเป็นราแนวข้าสรุปนะว่าเอกปริญญาหมายถึงการรู้แจ้งตัณหาได้ควบคุมตัณหาได้ละตัณหาได้ไปตามขั้นที่เห็นพราอันนี้เราเราไม่อาจที่จะไปอ้างเอาความรู้สึกขั้นอนากามาพูดได้แต่ว่า อย่างระดับเราผมคนพูดท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นคนได้เคยปฏิบัติอะไรอะไรเนี่ยพอเข้าใจลู้ทางในเบื้องปลายของเรื่องนี้ได้และอนนี้พูดถึงขนากินนี่ถ้าพูดถึงว่าแม้ว่าไม่ขณะขนาที่เราไม่ได้กินตัณหาทางลิ้นเกิดได้หรือไม่ได้ นี่เที่ยงครึ่งแล้วนะครับเนี่ยแต่ น, นี่มีบัตการหลายล้านขนาดพูดอย่างนั้นท้องลองจอ ก, จอกที่ถ้าพูดาตานนาหูพึ่งเลยอ่งนะี้นะยิงอยู่ในห้องกรรมฐานนะโอ้โหมันหิวทั้งวันแนละ้วคนนะอะหิวทั้งวันเลยไอ้ยิงเด็กๆเข้ามาเล่าแม่ไย ไอตอนเช้าตื่นมาตำรวุเาาห็นนะมาไล่จำงเช้าทีนะบางทีหูแวววอะไรไปเลยนะไอกลางวิ่งางวันอะไรเหมือนกันคือนี่พูดถึงอย่างธรรมดาเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาไอที่เป็นนักกินเนี่ยก็ไม่ต้งคุนก็ยกเขาไวเ้เถอะขอแสดงความนับถือแต่ว่าไม่ใช่นักกินเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยแม่ไอสิ่งเดียวเท่านั้นที่ชื่นใจที่สุดคือเรื่องกิน เป็นทางเดียวทางออกของตัณหาที่ดีที่สุดทางเดียวดังนั้นก็จึงเห็นว่าตัณหาในรสมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขณะที่กินนะะนี่เป็นเรื่องของตัวตัณหาทีนี้ท่านก็บอกว่าไอ้ตรงนี้แหละถ้าวว่าใครคุมตัณหาเรื่องกินได้ ท่านเตรียบเทียบว่าเป็นการจับโจรคนหนึ่งโจรเนี่ยมันอในอินเดียสมัยก่อนก็มีหลายประเภทเวลาคนเกิดเลิกโจรอย่างเร่างค์ลีมานเนี่ยก็รำบุโรหิตก็จะดูซึ่งก็คือพ่อของขอ ง, ของท่านเองนะฮะก็ไปกราบทูลกับพระเจ้าปเสนว่าเออเนี่ยลูกเกิดโจรจะให้ข้าทิ้งในใจเลี้ยงไว้พระเจ้าประเสนก็ถามว่าเป็นเป็นโจรแบบศิลปินเดียว เรียกฤทธิ์เป็นินเดียวหรือว่าเป็นโจรเราเรียกเป็นพวกก๊กเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกเป็นซ่องโจรนะจำนองนะก็บอกว่าเป็นโจรทำการคนเดียวนี่ขนาดโจรมันยังชอบทำงานก็เป็นกลุ่มทำงานคนเดียวเหมือนกับงานอื่นเหมือนกั น, น, กนทีนี้ก็เมื่อพ่อบอกว่าเป็นโจรทำการคนเดียว ท่านก็บอกเอองั้นไม่ต้องฆ่าถ้าคนเดียวพอคุ้มได้ไม่เป็นไรอย่าพิ่งไปฆ่าก็เลยก็ก็ปล่อยก็ไปเป็นโจรฆ่าคนนั่นแหละนี่ถ้าหากว่าจับโจรที่เฝ้าซุ่มอยู่ที่ทางห้าแผลงไอมาทางไหนก็ปล้นทางนั้นฆ่าทางนั้นถ้าจับโจรคนนี้ได้ทางห้าแผลงก็เป็นอันปลอดภัยหมดคนนั้นก็ได้ชื่อว่า ควรแก่การที่จะเห็นอะไรได้โดยไม่มีอะไรทิ่มแทงลูกตาวังอะไรได้โดยไม่มีอะไรทิ่มแทงหูเพราะควบคุมตัวนี้ได้นะฮะนี่เป็นเอกะป ร, ะริญญาคือจับปัญหาได้กำหนดรู้ตัญหามันก็เริ่มเริ่มไปจากธรรมดาอย่างเงี้ก่อนนะไอ้ขั้นสูงหลายๆคนก็อาจจะยังนึกไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่อง เกิดการรับรู้อย่างเป็นเชิงอัจา ร, รย์อะไรขึ้นมาได้สองที่เรียกว่าสัพพะปริญญาสัพพะปริญญานั้นแปลว่าการกําหนดรู้ทั้งหมดไอ้คำว่าทั้งหมดนี่คืออะไรตัวนี้ท่านหมายเอาอารมณ์อารมณ์ที่ละสะตัตตาเขาเข้าไปยินดี คือต้นหาหนึ่งแต่อารมณ์เยอะเอาตรงนี้ผมก็ต้องว่ายชัดว่าอาหารที่เรากินมือหนึ่งเนี่ยมันมีแต่อาหารอย่างเดียวเหรอเช่นมีแต่ข้าวเปล่าเปล่าหรือกลับอย่างเดียวหรอกลับหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เอาแค่ว่าไอ้ไอ้รสของอาหารมันต้องเยอะแยะแล้วรสอย่างเดียวหรือกลิ่นไม่มีหรือกลิ่นมีสีมีไหมสีมี เียอาหารสัมผัสมีไหมมีไออาหารบางอย่างเนี่ยต้องไปทอดในกรอบถ้าบางทีทอดมานานความกรอบาหายไปกินไม่อร่อยอีกใช่ไหมต้องเอาไปเก็บเอาไปรักษาอย่างในนี้เพื่อไอของบางอย่างก็ทําให้นุ่มไม่นุ่มก็กินไม่อร่อยอีกโพธิภพมีที่พดนี่เราพูดถึงเฉพาะในตัวอาหารที่จะเข้าปากแล้วเนี่ยนะ มันอุดมไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและโภชนาัไอ้รูปเสียงกลิ่นโภชนาัเหล่านั้นมาเป็นตัวเน้นรสพูดพูดให้มันยืดยาวก็กได้เมนกันให้เห็นชัดขึ้นไอ้บางอย่างก็ต้องทำดำด ำ, ดำกระมุกรมมอมมันถึงจะน่ากินเช็นอะไรบ้างผมก็เรียกชื่อไม่ถูกนะ บอกโอาโหดําำน่ากินอย่างอย่าเจ้ากุยถ้าคนไหนทํำนะน้องเพียบผมเลยนะแล้วก็ไอ้ทีกินก็ก็ต้มของจีนเก็มีไอ้ดำดำอ่ะไม่ใช่น้ำเรียบมันมันเป็นอีหยางดำดำเป็นคล้ายๆผักดองเนี่ยแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะไรอย่เงี้ยนะดำดำมาเรียกไว้ถูกอ่ะอ่าบางคนมองเห็นน้ําลายหลาโห้ยสีน่ากินจังบอกสีอะไรสีดํา เออมันลายเป็นอย่างนั้นไปไอของเมื่อยางต้องมาวางเป็นระเบียบไอของเมื่อยางต้องคลุกอย่างคลุกยังต้องไม่รู้อะไรแบบไรเออน้ากินแต่มาอย่างยำนี้เป็นต้นแต่มื่อไรยำอยู่คลุกกันไม่สนีทก็ไม่น่ากินอีกมันก็เป็นไปตามไปแต่ไออุปาทานของเรานะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเน้นให้เหมาะกับความต้องการของรักษาตัญหาในความเป็นอาหารนั้น แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเกิดตนะที่ที่้ตรงนี้มันจะรู้คือเวลาเรารู้ตัณหาเนี่ยมันก็รู้กําหนดรู้ไอ้ไอสภาพของกลิ่นของอะไรแต่อะไรนี้ไปด้วยเลยนะครับเป็นการขยายตัวไม่ใช่ทราบแต่ว่าลดนอ้อลดหน้ออย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นและต้องรับทราบว่านี่ไม่ใช่เป็นการกําหนดรู้นอกเรื่องกําหนดรู้สิ่งที่เอ อ, อยู่ในเรื่องนั้นแหละเกี่ยวพันกับเรื่อง ถือว่าเป็นความรู้และเป็นความที่ควรจะรู้อย่างวิปัสสนาคือการขยายตัวเพียงแต่เราเราเริ่มต้นเราจับรถเป็นหลักนะฮะแล้วก็จับตัญหาเป็นหลักแล้วก็ดูการขยายตัวของมันแล้วก็ก็จะเห็นไอ้ตัญหาที่มันเกิดไปตามความขยายตัวไปด้วยก็คือรูปรูปของรถ เสียงของรถเสียงอาหารก็มีอเสียงอาหารโดยตรงนี่มันมีอะไรบ้งอาหารที่มันเป็นเสียงแต่ใ่ถ้าว่าบางทีท่านยกตัวอย่างใช้เสียงเราเคี้ยวอะไรเงี้ยนะกรอบกรุบกรุบกร้าบแล้วเสียงเสียงเสียงสดนี่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เสียงอาหารอเสียงเดือดครอบครับครัออกุ้งเสีนงกุงเต้นแล้วไม่รู้เสียงเป็นยังไงนะกุ้งเต้น มนุษย์เราเนี่ก็ยอดจริงๆแหมถ้ามันเป็นไปกินอย่างอื่นแล้วมีเสียงร้องเกียเกียจักจักรก็จะน่ากินมากยิ่งขึ้นมันจึงเป็นเรื่องที่เรียวกว่าเกี่ยวพันกันหมดโดยมีรถเป็นหลักและสิ่งเกี่ยวพันนั้นมาเป็นตัวใ น, นรถทีนี้นอกจากนั้นอันนี้ก็อย่างที่ว่าคราวที่แล้วแล้วว่ามากล่าวยำไส้เสี ย, ส ย, สยชัดอีกครั้งหนึ่งว่า ที่ว่าเมื่อกี้คือในขณะกินอาหารเห็นมามครับว่ายังมีอะไรอีกั้งหลายอย่างอยู่ในนั้นต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดในการกินแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นบอกว่าตั้งแต่ไปบินธบาตบินธบาตเนี่ยมันเกิดปัญหาในรถถึงจะยังไม่ได้ไม่ได้ลองเลิ้มจิมรถนะก็พลาด้านหมมาลิ้มก่อนแนละ้วก็ีก โยมจาใส่เนี่ยอร่อยไม่โยมนะขอชิมขอชิมอือนที่บางชิมเส ร, ร็จแล้วบอกอาตมาไม่เอาไมมท่านก็ไม่ทาอย่างนี้นะก็ไอเรื่องอย่างนี้ถ้าพูดจริงๆ ต, งตรงๆก็มีนะฮะว่าคนเราก็ต่างๆบางทีไปดูโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาไปคนนน้นดีวกว่าเลยอะไรบางทียังอุตส่าห์ไปบอกโยมไหนเนี่ยเอนี่นี่ก็จริงๆมึนก็บอกให้ี่กินฉันซะเบื่อแล้วโยอม เนี่ยทำไม้นู่บางทียอย่าลืมนะพวกนี้นะยอมนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยทิ้งมาแตาเ่เยอะก็มันก็เป็นหยิมกันนี่มันมันเกี่ยวหมดเลยขายายไปจากไอ้จุดกินเนี่ยกระทั่งเมื่อมาลงมือเตรียมการฉันอะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้สิ่งประกอบการฉันนะ คนใส่บาทคนปฏิบัติภาชน ะ, ะที่ฉันองค์ประกอบของการนี่พูดถึงอย่างพระเนี่ยก็มัน ก, ก, ก็ถึงอย่างจะพระก็ดูก็ยังดีหน่อยถ้าเป็นอย่างเราชาวบ้านเนี่ยเรามีองค์ประกอบการกินมากยิ่งบางค น, นเเห็นเข้าไปถ่ายทำเกี่ยวกับสารคดีพวกลาชาของอินเดียพวกลาชา ลานีอะไรขอเาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโอ้โหช้อนก็เนี่ยถ้าเราไปกินแลวอยากจะกลืนอยากจะกลืนช้อนกี้ไปเลยกินแนละ้ววันละมือก็พอกลืนามช้อนทองประดับเพชรไม่รู้ไปเอาเงินเาทอแกมรวยมากรำ่ำรวยจริงๆพวกนี้ก็ทำให้ เกิดความอร ե ศอร่อยขึ้นมาอันนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยเรารูด้ดีเป็นอันว่าเราสรุปว่าสัพพะปริญญาเนี่ยท่านหมายถึงการรู้ปัญจรมนี่เอาเอาหลักออกมาอย่างนี้นะการรู้ปัญจรมแล้วก็การรู้ประสาท ที่ปัญจารมนั้นมากระทบในฐานะที่เป็นบริพันธ์ของรัศดรณ์ที่กระทบชิวหาประสาบริพันธ์หมายถึงเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องโดยโตรงก็คืออยู่ในอาหารโดยอ้อมก็คือสิ่งแวดล้อมในห้องรับประทานอาหารนี่คือความหมายของคำว่าสัพพะมันรู้หมดก็เลย ทำให้เราได้เข้าใจเลยว่าการกินนั้นไม่ไ ม, ไม่ใช่ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วมันเยอะและสามที่เรียกว่ามูลปบาริญยามูลปบาริญยาคือความกำหนดรู้ตัวมูลมูลตัวนี้คืออะไรมูลตัวนี้ก็คือโพชนะตัวโภชนะโดยตรงครับ หรือตัวกัวลิงการอาหารโดยตรงอันนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ไอการรับรู้เนี่ยมันจะหนึ่งไอ้รู้ตัวรู้ตัวที่เป็นเจ้ากี่เจ้าการในการกินคือตัณหาสองรู้ตัวไอ้สภาพของอาหารแล้วก็สิ่งเกี่ยวข้องกับอาหารสภาพ อ, อาหารก็กล่าวเนี่ยนะแล้วก็ ไอ้มูละบริญญาเดี๋ยวผมผมสรุปอีกทีเพื่อจะให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดว่าเอกบาลิญญารู้ผู้กินคือตัณหา ร, รู้ผู้กินนะและยกนั่นก็เป็นผู้กินตัณหาแล้วก็สัพพะบาิญญารู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เนื่องด้วยอาหารที่เรายกรู้ยก ปัญจารมกับปัญจประสาทเป็นประธานเนี่ยสำสำหรับโมราบริญญาคือตัวอาหารทีนี้การกาหนดรู้ตัวอาหารตัวนี้มันไม่ใช่รู้อาหารอะไรอะไรอะไรว่านี่สมตาม น, น, น, น, นี่นู่นนี่นีที่เป็นเรื่องของอาหารภาคสมุดแต่รู้เจาะลง ไปในทางเนื้อในของอาหารที่เรากินว่าอาหารที่เรากินเนี่ยคืออะไรกันแน่ส้มตำคืออะไรกันแน่ขนมปังคืออะไรกันแน่ข้าวต้มข้าวสวยคืออะไรกันแน่กาหนดรู้ไปตัวนี้ก็ได้ความว่าคือมหาพุทธรูปสี่คือถ้าพูดในภาษาท่านจะบอกว่า <c oughs> อ, าอาหารอดอดทัตตากะกะลา ก, ก็อย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยเอาเป็นว่ามีเอาวินิโพกรูรุปแปบเ อ, า, เ อ, า, อางนี้แล้วกันถ้าพอจะฟังง่ายหน่อยหรือถ้าเอาเป็นอย่างย่อ ก, ก่อนก็คือมหาพูทโธสีนั่นเองจริงหรือไม่จริงอาหารที่เรากินเข้าไปเย็นร้อนคืนธาตุไฟใช่ไ้ย อ่อนแข็งคือธาตุดินเคล้งตึงธาตุลมแล้วก็ความเหนียวเกาะกลุ่มคือธาตุน้ำและมีรูปอื่นๆที่เจืออยู่ในนั้นในในความเป็นอาหารเนี่ยอย่างเช่นคือเอาพูดเต็มๆแล้วคือรูปดินน้ำไบลมสีเสียงกลิน่นรส ดินน้ำไฟลมสีเสียงกลิ่นลดแล้วก็โอชาดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมกลิ่นลดโอชาแปดไมก็แปดนะนั่นแหละคือหน่วยของอาหารในตัวของมันเองและอย่างเช่นรูปเนี่ยมันไม่ใช่รูปแวดล้อมีนะ ไม่ใช่รูปในทางไอ้ระนาขนาเกี่ยวพันเงินไม่ใช่รูปว ย, ยาวจากรไม่ใช่รูปของสีบาทซึ่งมันเป็นรูปเกี่ยวพันแต่ตรงนี้คือในหน่วยของมันเองเลยกลิ่นก็กลิ่นของอาหารเองเลยอยู่ในนั้นก็กาหนดแ่งลึกที่นี้ก็ลงไปอีกว่าไอ้อาหารที่เรากินเนี่ย มันสัมผัสอยู่ในปากในจุดหลักคือที่ลิ้นเนะี่ยยกลิ้นเป็นประธานในลิ้นของเราเนี่ยมีประสาทกายอยู่ในนั้นด้วยมีประสาทลิ้นรับรู้ด้วยไม่ใช่ที่อื่นไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้กายที่อื่นในรัศน า, าห่างๆก็เคี้ยวไปก็มีความรู้สึกทางกายยะประสาเวลาเรากําหนดกินเนี่ยเห็นเห็นเลยครับกายยะประสาทกับละสารลมเนี่ยออกหน้ามากที่สุด กลิ่นกล่นอะไรนี่ยังอ๋อยังไม่ได้เป็นเรื่องสำคับแล้วพอเข้าปากแล้วก็สีมองไม่เห็นเนะี่ยคุณคุณคุณน้อยคุณยามได้ที่มีที่มีพวกเราคนหนึ่งอ น, นะอย่าไปเล่าเขาฟังอย่าอามอนินทานะที่แนะนำเขาไปนะเนี่ยว่าตั้งทํางานต้องมีอะไรแต่ อ, อะไรกินคือช่างกินนะถ้าไม่รู้จะทําไงดีก็เลยบอกเอานี้สิคุณก็ เคียวเคียวรังคายอย่างมาดูแล้วก็กินเงียใหม่อ๋อย ก, กินเท่าไหร่บอกบอกมาเลยแล้วก็ข้อแม้วต้องขาดกินเง้ยบไปใหม่ไม่รู้ไปทําบ่หนะไม่ได้เจอคนก็มีไเงื่อนขายป ร, ประหลาดเนี่ยนะไม่รู้กินอะไรกันนักหนาคือพอเริ่มนั่งโต๊ะเนี่ยแทนที่จะกวนหาบ่าเอาของกินมาก่อนแนละ้วข้าวผัก แล้วถึงทำงานหลอโงมันทำไมเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเออจะทำยังไงดีก็แนะนำไปงั้นน่ะผมว่าทำไปทำมาเด็กก็ถึงใายก็อร่อยเท่านั้นทีนี้เมื่อเรากำหนดอยู่ในเนี้ยเราก็จะเห็นผัสสะนี่มันเริ่มขยายตัวอ่าไปด้วย ว่ามันมากระทบลิ้นปากตากอทางจิ๋วหาปากตากทางปวดภาและอาหารที่กินที่กลืนเข้าไปเวลาเรากลืนอาหารหรือกลืนน้าเนี่ยโดยมากเราก็ไม่สนใจกลืนแล้วแล้วกันนะเป็นแต่ว่าบางทีกลืนแล้วมันร้อนไป ก, นก็รู้สึกดีหน่อยรู้สึกชัดหน่อยถ้ามันธรรมดาก็กลืนแล้วก็เฉยไอไอตันน้ำก็มาอยู่ที่เนี้กลางไม่ติดคอ อาหารไม่ไปจูบก อ, อกเขาก็ไม่รู้สึกก็เดือดร้อนอะไรคือแล้วแล้วกันแล้วกินแล้วมันจะเป็นยังไงบางทีก็บางคนก็ไม่ช่างสังเกตนะฮะแต่บางเออผมเนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องช่างสังเกตเลยเหือนี้ตัองติดตัวมผ่านทำให้บางคนเขาก็เออเอาไปสังเกตก็เอาไปใช้ได้ได้บ้างเหมือนกันว่า <c oughs> อาหารบางอย่างเรากินเข้าไปแล้วเนี่ย จิตเราเป็นอย่างไรไอ้กินด้วยจิตอย่างไรกินและจิตเป็นอย่างไรสภาพร่างกายเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพของสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องหมดเพียง<ๆ>แต่เราเนี่ยไม่เห็นโดยทั่วไปไม่เห็นพอพ อ, พอลงรายละเอียดเนี่ยรู้สึกชัดเจนมากเหลือเกินนิดเดียวรู้สึกเลยไวต่ออาหารมากสาหรับผมนะบางคนอ่ะหูไว จะหมูไวตาไวปากไวมือไวมันไวหลายอย่างแต่ผมในเรื่องอาหารผมไวเพราะว่ามันมีเหตุจําเป็นที่คอยระแวดละวังมาเรื่ๆเๆก ล, ล, ลายมันดีไปเลยตอนนี้อะไรกินอาหารอะไรรู้เลยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปเข้ากรรมฐานนะแล้วมันก็ติดแล้วรู้เลยว่าไอ้อย่างนี้มันจะอยู่ไปกี่ชั่วโมงไอ้ความรู้สึกอย่างนี้นะ เรารู้เลยว่าต้องรอให้ถึงเวลานี้มันถึงจะพ้นหรือเมื่อถึงเวลานี้แล้วมันสิลล้นฤทธิส์สิ้นฤทธิ์นี่หมายถึงว่าไอฤทธิ์ทางดีก็มีนะเช่นฤทธิ์ทางความกระฉับกระเฉงอะไรอะไรเงี้ยมันหมดฤทธิ์เมื่อนี้หายเงียบไปนะแล้วเราก็ทําให้เรารู้ทางแก้ทางต่อทางอะไรต่อไปเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการย่างลงทางมูลและคนอื่นก็จะค่อยๆ ขยายตัวไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดการละอะไรต่อไปในนีเ้เสร็จอย่างลงลึกก็อธิบายไปเชื่อมกับปริญญาสามได้ต่อไปเลยเป็นนั้นว่าสำหรับเนื้อความตรงการกำหนดรู้ผมอธิบายแค่นี้แต่จะอธิบายเนะื้อความในนี้ต่อไปที่ท่านกล่าวว่า เมื่ออลิยสาวกกำหนดรู้ ก, กับว่าลิงการาหานได้แล้วจะเห็นว่าคำว่ากำหนดรู้พูดแก่นี้กับว่าลีงกาลาหานพูดแก่นี้แต่มีความหมายไม่ใช่แก่นี้พูดเพราะเอาตัวหลักตัวมูลกรรมาฐานมาเป็นตัวพูดความโูนในตัวมูลกรรมาฐานนั้นเรียกว่ามูลรับปริญญาท่านกะตรัสต่อไปว่าก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญยการามคุณ คือเมื่อเราแทงตลอดในอาหารได้เนี่ยก็เป็นอันแทงตลอดทางตาหูจมูกไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันหนึ่งมันเกี่ยวข้องกันด้วยสองไอ้รูปลักษ์รูปลักษ์ในเรื่องของกระบวนการการเกิดกิเลสการละเนี่ยนะมันจะเชื่อมไปถึงกันคือคนเมื่อ สามารถเอาชนะการเห็นแก่กินได้ก็เอาชนะการเห็นแก่อย่างอื่นทางประษาอื่นได้รู้โดยนัยะปฏิเวทเรียกว่าโดยนัยะปฏิเวทหมายถึงว่านัยธรรมนัยยะของธรรมเนี่ยมันจะมีไอสภาพที่ไม่หนีกัน ทั้งที่มันมาเกี่ยวโดยโตรงหรือแม้ไม่เกี่ยวโดยโตรงเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเมื่อไปปราลบกำหนดอีกที่หนึ่งแบบแม่เอกเทศตามแยกเหมือนตาแยกเนี่ยก็เป็นอันว่าเป็นไปได้ง่ายเช่นเดียวกันท่านตรัสตรงนี้ก็เพราะว่าอาหารนั้นมันเหมือนเป็นจุดรวมของเบญจากาม เ, เราพบพุทธพจน์ที่ตรัส ถึงแหล่งรวมของเบญจา ก, กามเนี่ยนะสองสองกรณีอันนี้ฟังไว้กรณีหนึ่งผมเคยปลาลบแล้วแต่ท่านคงจำไม่ได้ว่าปลาลบประกอบเรื่องอื่นแบบโฉ บ, บ, บเอาคือตรัสอย่างกรกรณีของพระว่าสมณะรามไม่ควรรับเงินและทองเพราะอะไร เพราะว่าเงินและทองเนี่ยเป็นที่รวมของเบญจากา ม, มาคุณผู้ใดยินดีในเงินและทองผู้นั้นชื่อว่ายินดีในเบญจากามโอ้ตรงนี้อธิบายแล้วครับจะเห็นชัดเลยและคนที่ไม่ยินดีในการเนี่ยไม่ยินดีไหมเนาะการสะสมสนุกสนานลาาเริงบันเทิงไปกับเรื่องโลกโลกเขาเนี่ยนะ จะ่ไม่เป็นคนเห็นเงินตาโตนี่เราพูดถึงระดับอย่างเราเรานะไม่ไี้จะโตไปทั้งไปเห็นด้วยไหมฮะแต่ตรงกันข้ามใครท <ill modelling> ี่เช่นว่าอ่าต้องนี่จะจะอ้างนี่ต้องคิดให้ดีกันเดี๋ยวเพื่เตือนใจคนต้องเลือกที่เช่นว่าชอบเที่ยวแหล่งอบยมุกก็แล้วกันนะ ชอบอาสามมาเลเทเมาสนุกสนานไปกับโลกอย่างเป็นแม้แต่หน่ยพวกนี้เห็นแก่เงินทั้งนั้นแล้วก็ผมก็บูดได้เลยว่า ก, การจัดกองการจัดการที่ต้องมากรับจ้างอะไรกั น, นก็คืออย่างนี้นักการเมืองการเมืองทั้งนั้นแบบนี้และคนที่เป็นคนสํารวมสันโดษกับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นคนเมาโลก ไม่เป็นคนติดเหยื่อโลกจะไม่เป็นคนเห็นเงินตาโตจริงๆไม่โลกแล้วจริงไมมที่ท่นตรัสว่าเงินและทองเป็นที่รวมของเป็นาการมาคุณจริงแก่สารพัดนึกแต่มันไม่นึกเอามักอาโหมันนึกเอาอยางอื่นนี่นั่นที่หนึ่งนะตรัสแบบอ่า กายภาพภายนอกธรรมดาแต่สำหรับอารมณ์ห้าแล้วนี่พูดถึงอารมณ์ห้าอารมณ์ห้าที่มากระทบตาตาคื อ, คอหรือพูดจริงๆว่าอายตนะของเราเนี่ยอายตนะที่เป็นแหล่งรวมของเบญจาการรมกุลอารมณ์คือลิ้นนี่ฝากจำคำของพระพุทธเจ้า ที่ได้จัดถึงสิ่งนี้ไว้พระฉะนั้นจึงได้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วก็ที่ท่านตรัสว่ากำหนดรู้ความยินดีเนี่ยก็คือกำหนดรู้ตันหาควบคุมตันหาที่เป็นไปในเบญจกรรมมคุณอารมณ์ได้จากการกาหนดรูกก้กวะลิงการะหานนั่นเองเมื่อกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดขึ้นแต่เบญจกรรมมาคุณได้แล้ว สังโยชน์สังโยชน์ตัวนี้หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ําคือทรงตลาดหมายเอาพระอาณาคามีพระอหรหันต์ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วแค่อาาคามีนเนี่ยแปลว่าพ้นไอความเมียินดีในเรื่องของการกินได้แล้วสังโยชน์เบื้องต่ําห้าก็มีหลายตัวครับเ่นกามกามราคะปยาปาทะ ปิดสาวิจีจามัจจิยดอย่างนี่นะแต่ที่ท่านต้องการจะบอกถึงก็คือที่ต้องการเน้นคือกามะราคะสังโยชน์กามราคะสังโยชน์นี่กาลังจะบอกว่าละอนาคามีละกามราคะสังโยชน์โดยมุ่งไปที่อกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่ของอกามราคะที่มันเป็นที่รวมรวมใหญ่ หรือเป็นซ่องใหญ่ของเบญจกามกรมกุลอารมณ์ได้แก่ที่ลิ้นโู้ทนี้เพราะว่ากลางวันใน ห, หมดอร่อยไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำได้จึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกก็คือเป็นรนาณนากรมีไปสู่สุธาวาสนั่นเอง สุธาวาที่แปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็คือบริสุทธิ์จากกามราคะสังโยชน์เนี่ยเป็นหลักสําคัญสังโยชน์ตัวอื่นก็เป็นตัวประกอบกับตัวหลักตัวนี้อเรื่องประโยชน์สุธาวาทเนี่ยเราก็รู้แหละนะครับท่านไม่ต้องพูดถึงอลาห์เพราะอลาหนัก็ไม่ต้องพูดถึงตรงนี้แล้วก็เป็นอนวุวา วันนี้เราก็พูดถึงสูตรนี้ได้แต่เพียงเท่านี้ยังไม่ถึงจุดจบอย่างคงครั้งสำหรับอาหารสามอย่างที่เหลือซึ่งจะได้นำเอามากล่าวในสัปดาห์หน้าสืบต่อไปในตอนท้ายขอให้ท่านได้บริจาคบุญของท่านซึ่งเป็นสิ่ง ดำปราถนาของเหล่าสัตว์ผู้ถือกำเนิดโดยโอปปปติกะกําเนิดและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของโอปปปฏิกสัตว์ผู้กาลังจะหมดบุญและผู้ที่เป็นโอปปปิกะในอบายภูมิขอให้บุญของพวกเราทั้งหลายได้ บริจาคโดยความเป็นปฏิทานไมัยกุศลถึงพวกท่านทั้งปวงขอพ่อท่านทั้งปวงจงรับรู้เถิดจงยินดีเถิดจงอนุโมทนาปราโมทย์เถิดขอให้ท่านทั้งปวงจงตั้งความปรารถนาของท่านซึ่งท่านรู้อยู่ไว้ในบัดนี้และ เมื่อท่านอนุโมตนาบุญที่พวกเราทั้งหลายอุทิศให้ก็ขอให้ความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้จำลนงหวังอยู่เฉพาะหน้าจงปรากฏขึ้นโดยฉับพลันทันทีสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตรงกับความที่ท่านต้องการและขอให้กุสศธรรม จริยธรรมอันงดงามจงจเจริญขึ้นในสันดานของพวกท่านเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งในสุขติทุขติภูมิทั้งหมดขอจงได้จเจริญขึ้นในธรรมจงประสบความสมําเร็จในธรรมจงจเจริญขึ้นในความผาสุก แห่งชีวิตและได้พบผลทางอันประเสริฐและได้เดินไปอย่างมั่นคงต่อเนื่องถึงที่สุดแห่งทุกได้โดยทั่วกันขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับ